บุ ญ, ญาายะภาคยะกับผลภาคยะอันนี้ทำเพื่อมุ่งบุญกับทำเพื่อมุ่งผลง น, นเถอะส่วนแห่งบุญกับส่วนแห่งผลบุญหรือส่วนแห่งผลคำว่าบุ ญ, ญาายะภาคยะนี่หมายถึงการเจริญกุศลที่เป็นไปเพื่อพบสามนะนั่นเรียกว่าบุ ญ, ญาายะภาคยะส่วนผลภาคยะก็หมายถึงว่าผลที่ที่เกิดจากการบรรลุอริยสัจ หมายถึงสามัญญผลนะนตัวนั้นหมายถึงสามัญญผลส่วนศีลมีอยู่สองกลุ่ม2อย่างคือสังวรศีลกับปหาณศีลสังวรศีลเนี่ยหมายถึงปาติโมคสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรนะก็คือหมายถึงสังวรห้านะปาติโมคสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและ วิริยะสังวรส่วนปะหาะนะศีลปะหานะก็หมายถึงแต่ทางค้ะประหารวิคัมพะณะประหารสมุเฉทะประหารปฏิปสัสสติประหารและนิสรณะประหารนะหมายถึงประหารห้าหัวข้อสามอย่างนี้สำคัญคือสูตรปฏิปทาและศีลก็แต่ละอย่างก็แบ่งออกเป็นอย่างละสองใช่ไหมสูตรมีสองคือวาสนาพากยะกับนิเปทภากยะปฏิปทานมีสองคือ ปุญญาปฏิปทากับภรปฏิปทาศีลมีสองคือสังวรศีลกับปหานะศีล น, นะทัวในครั้งว่าสังวรศีลคือสังวรห้าปาติโมขสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติวิริยสังวรส่วนปหานะศีลก็คือปหานะห้ตะทางข้าปหาณวิคัมพนาปหาณสมุเทเชธาปหาณปฏิปสัทธิปหาณและนิสรณ ะ, ะปหาณ ทีนีเอามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวาสนาภากยะสูตรด้วยบุ ญ, ญาายะพากยะปฏิปทาบุคคลผู้ฟังธรรมนั้นตั้งอยู่ในสังวรศีลแล้วเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยพรหมจรรย์นั้นก็คงพอสรุปนะว่าพระผู้ที่ฟังธรรมประเภทวาสนาภากยะพอฟังธรรมเพื่อให้เป็นวาสนาของเขาเขาก็ไปทําบุญใช่ไหมเมื่อเขาทําบุญ เขาก็ดำรงอยู่ในสังวร อ, อยู่ในสังวรศีล น, น, นะเมื่อสังวรศีลก็เลยมีการประพฤติพรหมจรรย์ก็หมายถึงว่าหวังผลระยะไกลพูดอีกพูดแบบแบ่งเป็นสองแนวใหญ่ๆก็ได้ว่าพูดให้บรรลุอย่างรวดเร็วกับพวกบรรลุอีกนานกว่าจะบรรลุฟังไปก่อนอย่างของเราไม่น่าจะรีบอะไรนะพระราหุลท่านบวชตั้งอายุเจดขวบบรรลุตอนอายุ2ี่ แล้วเรียนธรรมะพระราหูนเนี่ยเป็นเอตทักฆะในด้านการศึกษาเนี่ยในด้านศึกขาเนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่ตื่นเช้ามาเนี่ยกอบสายเลยสมาทานขอให้ได้ฟังโอวาตเท่านเนี้ยคิดอยู่อย่างนี้สิบสามปีอะเออสิบสามปีตีงมีกี่วันสามร้อยกว่าวันโอท่านคิดอยู่อย่างนี้ตั้งสิบกว่าปีอะคิดดูใช้เวลากี่พันวันนะของเราอะ ปัญญาก็ไม่ได้เท่าพระราหุนด้วยนะ <c oughs> ก็มาเจริญเจริญดูนะอย่างน้อยให้ไม่ได้ครึ่งพระราหุนก่อนก็เ อ, อค่อยไหวทีหนึ่งแต่ถ้ายัางไม่ได้ครึ่งพระราหุลเนนะีไปทวงมันไม่ค่อยไหวเหมือนกัน <c oughs> มันเหมือนอย่างว่าทํางานเพิ่งทํางานได้สุ่มโมงเดียวก็จะเบิกเงินเดือนอย่างเดียวคู่ที่ฟังธรรมประเภทว่าสนาภาคยาสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเยอะ น, ยนะซึ่งพระ อย่างธรรมะประเภทบ่มบีมุติทั้งหลายก็อยู่ในสวนวาสนาถ้าถ้าแต่ว่าไกลหน่อยนะแต่บางคนเนี่ยผู้เวนย บ, บุคคนเนี่ยนะคนที่ฝึกได้สอนได้บรรลุได้ในชาตินี้เรียกว่าเวนย บ, บุคคลพวกเวนย บ, บุคคลเนี่ยแบ่งเป็นหนึ่งอุคติตันยูสองวิปปัญจิตันยูสานายัย บ, บุคคนคือนี้พวกนี้เป็นพวกบรรลุได้ในชาตินี้กต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถบรรลุได้ในชาตินี้เขาเรียกว่าปทัปปรมะ เน ะ, ะปทาปรมะพวกปทาปรมะเนี่ยได้ฟังพระธรรมประเภทว่าสนาภาคยะ น, นะต่อไปอย่างเช่นอาสีวิสสูตรพระองค์ตรัสว่ามีอุปการะแก่บุคคลทั้งสี่จำพวกเนี่ยนะทั้ทงแม้กระทั่งพวกปทะะาประมะด้วยเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ฟังแล้วเนี่ยนะก็ได้เอาไปคิดไปใคร่ครวญในชาติหลังๆต่อๆไปเขาก็จะบรรลุเร็วพระพุทธเจ้านั้นสงเคราะห์สกุลุทายิปริภาชกเนี่ย ท่านได้มาบรรลุสมัยสมัยพระเจ้าอาโศกอะ่ะ น, นะสองร้อยกว่าปีแล้วจึงได้บรรลุหลังจากพระองค์ปรินิพานแทนผู้ที่ฟังธรรมในลักษณะนี้แหละเรียกว่าวาสนาภาคยาสูตรหลายคนก็ไม่ได้ยังไม่ได้อยากบรรลุอะไรสักเท่าไหร่ในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นทุกสูตรที่เขาฟังพวกนี้เป็นวัสนาภาคยาสูตรทั้งนั้นเลยนัแต่ของเราถ้าฟังจะเอาบรรลุอย่างเดียวก็เป็นประเภทไหน นิเพธานะถ้าฟังแล้วก็โอ้ชาตินี้ยังไงยังไงก็ไม่ได้บรรลุล่ะไม่ได้บรรลุเพราะคิดอันนั้นก่อนนะเพราะคิดแบบนั้นก่อนลนะเพราะฉนั้นฟังทำเป็นวาสนาอย่างเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นตรัตนิเพทภาคียสูตรเนี่ยนะตรัสแล้วก็ได้ผลด้วยขนภาคยะปฏิปทา บุคคลนั้นตั้งอยู่ในปหานศีลแล้วเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยพรหมจรรย์นั้นเช่นโปรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนาสูตรแสดงอนัตตลักษณะสูตรแสดงอธิตะตะปริยัตสูตรพระสูตรประเภทนี้แหละเป็นนิเพาทะภาคยาสูตรเพราะว่าผู้ฟังฟังจบแล้วได้สามัญญพนสามัญญพลท่านตั้งอยู่ในปหานศีนคือสมุดเฉทฐาปหานและปฏิปสัสสทิปหานก็ประพฤติมัคคผพรหมจรรย์ใน ศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือกลุ่มพระอริยบุคคลทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านฟังธรรมประเภทนิเทพเทธพาคียสูตรฟังแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเลยในที่สุดท่านก็ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะถ้ามองบุคคลที่ศึกษาพระธรรมเป็นสองกลุ่มแบบนี้ก็สบายใจดีเหมือนกันนะบางพวกเขาฟังอับุน้นเนี่ยนะก็จะไปวังอะไรเข้ามากเขาท่องบ้างไม่ท่องบั้งก็จะไม่ต้องไปป่วยกับเขาหรอก ว่าอะไรเขาเพราะเขาก็จะฟังเอาบุญอย่างเดียวนะเขาฟังได้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของเขาแล้วละ่ะเหมืกันอันนะีเพราะว่าเขาก็เทวดาก็ยังไม่ได้น่ารังเกียจสําหรับเขานะเทวดาก็ดีเหมือนกันหมดบุญจากเทวดาแล้วค่อยลงมาฟังธรรมแล้วจะได้บรรลุอย่างงี้นนะก็ะวางแผนระยะยาวมากเขาก็ยังไม่ได้เรีบร้อนบรรลุอะไรนะเราจะไปเร่งให้เขาบรรลุเราก็เดือดร้อนลนะอนะแล้วก็ศึกษาตรงนี้ก็เข้าใจดีเหมือนกันนะจะได้ทําใจได้ มันก็อย่างนี้สิอย่างนั้นสิเขาไม่เอาด้วยอ่ะก็ขอให้ตั้งอุปนิสัยเอาไว้เถอะคือผู้ที่เขาจับบรรลุได้ในชาตินี้เนี่ยนะว่าตรงๆก็คือเขาสัสมบุญจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนไว้มากเขาเป็นผู้มีบุญเขาทําบุญไว้เยอะเนี่ยอย่างที่พระองค์ตรัสกับพระนรินใช่ไหมว่าเธอเนี่ยเป็นผู้มีบุญอันทําไว้แล้วหรือว่าเป็นผู้สั่งสมบุญไว้แล้ว ให้เธอทําความเพียนเธอไม่นานสักเท่าไหร่ก็จกบรรลุนี่พานอนนะุน่ะไอ้ไม่นานของพระอนุนเท่าไหร่หลังจากปรินิพานไปอีกตั้งหลายเดือนอ่ะสามเดือนอ่ะนะท่านจึงได้บรรลุก็หลังจากวันปรินิพานเนี่ยนะพระองค์ตรัสพุทธพจน์บทเนี่ยตอนปรินิพานนะพระอ น, นุเนี่ยไปบรรลุวันก่อนสังขยนาวันเดียวตั้งแต่วันเพ็นเดือนหกอ่ะนะไปทําสังขยาาในโน่นอะ่ะ หลังเข้าพรรษาหนึ่งเดือนเนี่ยนะนั่นแหละพระนรนจึงได้บรรลุหลายเดือนผ่านไปนะมีอะไรบ้างพระนรนไม่ได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังกว้างขวา ง, วางพิสดารลึกซึ้งท่านเจริญยิ่งใก ล, ใกล้ใกล้จะทําสังขยนานาแล้วท่านเจริญกรรมาฐานทั้งวันทั้งคืนนะตารกกายคตาสติทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าวิริยินรี์ท่านมากไปนะท่านก็ลดวิริยินทรียอบรมสมาธิซีก็บรรุษธรรม ของเรานี้สัตทินรีเราเห็นได้ในที่ไหนก็มาไล่ดูโสตาปฏิยัง่าธรรม4ีหนึ่งโคบสัตรบรุษเรารู้จักพระพุทธเจ้าแค่ไหนสองแล้วฟังคำสอนของพระองค์เท่าไหร่ 3. แล้วเราคิดคำสอนวันลวเท่าไหร่ 4. ปฏิบัติพอควรจะบรรลุได้หรือยังพอไหมถ้าเราจะบรรลุพอาทำเท่านี้แล้วได้บรรลุนะสมควรไหม มีอยู่สูตรหนึ่งทุติยะทศพลสูตรสั่งยุตินิกายพระองค์ตรัสว่าธรรมะอันเลิศเนี่ยไม่ได้บรรลุด้วยธรรมะอันเลวรอนะครับธรรมะอันเลิศก็รรศต้องบรรลุด้วยข้อปฏิบัติอันเลิศแล้วก็มาไล่ดูนะั่นหนึ่งมสี่เราได้เท่าไราแล้ววิรยิยทรีย์สัมมาประธานสี่นะสังวรประธานเราปิดบาปขนาดไหนประธานาประธานเราละบาปอะไรไปบ้างแล้วภาวนาประธานเจริญกุศลอะไรไปบ้างแล้วและอะไร อนุรักษนาประทานอนุรักษ์กุศลตัวไหนมั่งยาวต่อเนื่องอะไรดูสติประธานสปารบกายปั๊บก็อนุปัสนาเจ็ดมาเลยขนานั้นไหมจกักรภูยังไงอนุปัสนาเจ็เลยไม่เที่ยงเป็นพุกเป็นอนัตตาน้าเบื่อนายคลายกำหนัดเพื่อความดับสละคลืนว่านะจกักรภูก็จะบริจาคอย่างเดียวอย่างนั้นแทหูก็จะบริจาคอย่างเดียวเป็นต้นนะนะพูดถึงเวทนาปั๊บจะบริจาคเวทนาอย่างเดียวพูดถึงจิตบริจาคจิตอย่างเดียวพูดถึงธรรมะ ปฏินิสขานุปัสนาในธรรมะหมดเลยในเช่นนิวรณ์เป็นต้นขนาดนั้นไหมแล้วก็ดูว่าสติก็อ่อนขนาดนี้สมาธินะพุทธานุสติก็นิ่งสงบเลยนะโอ้เย็นสบายเมื่อเจริญพุทธคุณยังไงเนะีหรือว่าปารพบเมตตาก็เย็นสบายอสุภะก็คล่องแคล่วว่องไวเออถ้าเรายังชั่วเนยะมีเขาละแล้วก็น้ทุกเห็นเลยนะนทุกขสมุทยัยน้ทุกขนิโรธ ก็มาไล่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหรือยังที่จะบรรลุอย่างเงี้ยนะก็มาไล่ดูเราจะรู้ว่าที่อิตเป็นยังไงอินรียห้าถ้าอินตันจินสี่อันนถ้าอินทรียห้าที่เป็นทุกข์กระสเนี่ยนี้แก่ลงทุกวันไม่ถามก็แก่อยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายนะแก่ทุกวนันทุกวนันแต่นี้ที่ถามถามศรัทธาพระสูตรที่เป็นวาสนาภาคยาสูตรเป็นอย่างไรถ้อยคําเหล่านี้คือลักษณะพระสูตรที่เป็นวาสนานะ ฐานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนบกถาแล้วก็เนคขัมมานิสังสกถาอันนี้เรียกว่าวาสนาภาคยาสูตรก็คําสอนที่สอนเรื่องทานเนี่ยนะทานทานทานทานมิกีอ่อย่างอามิสทานกระธรรมทานในกระถูกอมิสทานกะธรมมะธรมทานอามิสทานมีกิย่าง แบ่งเป็นสองอย่างคือปาติบุคคลิกทานกับสังฆท า, านเนี่ยนะปาติบุคคลิกทานก็ไล่เลยนะระดับล่างสุดมาเลยก็ให้เดรชนสูงกว่านั้นก็ให้คนผู้ศีลสูงขึ้นไปกว่านั้นให้คนมีศีลสูงไปกว่านั้นก็คือให้ผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิพลดให้แจ้งเออขออภัยให้ฤาษีนอกาศาสนาที่ได้ชานาพิญญาเนี่ยนะนะผู้เป็นกรรมวาทีแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติเพื่อ ทำโสดาปฏิพนให้แจ้งผู้ผู้เป็นพระโสดาบันไล่อย่างไีไปจนถึงพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าปาติบุคคลิกทานปาติบุคคลิกทานทํากับพระพุทธเจ้าเลิ่ที่สุดส่วนสังฆทานก็แบ่งออกเป็นกลุ่มสังฆทานภิกษุภิกษุณีสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกภิกษุณีสงเฉยเฉยภิกษุสงเฉยเฉยหรือว่าไป อังคาดหมายก็ว่าไปขอมาหนึ่งรูปสองรูปเป็นต้นเจาะจงมาจากสงมานั่นก็สังฆทานก็มีหลายกลุ่มด้วยกันก็แบ่งเป็นอะไรนะอมิสถานธรรมทานอมิสถานก็แบ่งเป็นกลุ่มปาติปกุลิกทานแบ่งเป็นสังฆทา น, น, นนะอันนี้สง์ทั้งหลายก็ว่าไปตามนั้นก็ดูได้จากในทักทินาวิพังกสูตรเป็นต้นทีนี้ทานเนี่ยนะถามว่าทานนี้จําเป็นต่อการประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ ทานนะตัวทานเองไม่ใช่พรหมจรรย์ที่เป็นมรรคมรจรรย์อะไรหรอกแต่ถามว่าเกื้อกูลต่ออริยมรรคหรือไม่บอกเกื้อกูลมากเนี่ยนีผู้ที่ไม่ได้ให้ทานเนี่ยนะไม่ได้ฟังธรรมหรอกโดยที่สุดแม้แต่ฟังธรรมเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปเนะีย่ยลองดูให้ดูคร่าวๆเป็นตัวอย่างในหน้าหกสิบสองเนี่ยนะกลางกลางหน้ากลางกลางหน้าหนึ่งสอง อันนั้นนับขึ้นสิบห้าบรรทัดเนี่ยนะทานเป็นเหตุใกล้ของการฟังธรรมเนี่ยนะทานนี้เป็นเหตุใกล้ของการฟังธรรมถ้ายิ่งแพบแบบสมัยพุทธกาลด้วยเนี่ยนะเห็นชัติเลยว่าเขาจะได้ฟังธรรมเนี่ยนะถ้าจะได้ฟังธรรมที่บ้านก็ต้องนิมนต์พระไปให้ทานนะจึงจะได้ฟังธรรมถ้าไม่มีการให้ทานเนี่ยก็ไม่ได้ฟังธรรมอยู่แล้ว น, นะเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมั้นให้ทานนี่เป็นเหตุใกล้แห่งการ ฟังธรรมถ้าผู้ที่ให้ทานไม่เป็นเลยแทบไม่ได้ฟังธรรมเลยอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้จ้างคนคนไม่ได้ว่าให้ทานคือไปจ้างคนแสดงธรรมนะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่หมายถึงว่ามันมีองค์ประกอบจริงๆองค์ประกอบของการฟังธรรมเนี่ยเยอะเนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปอย่างสมมุตินะอย่างพูดในเนี่ยถ้าคุณวะลีไม่ให้ทานคุณกนกไม่ให้ทานหลายๆท่านไม่ให้ทานการฟังธรรมแบบที่เราฟังเนี่ยจะได้ไหม ไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่ได้เพราะการให้ทานนั้นนับว่าเป็นเหตุใไล้แห่งการฟังธรรมทีนี้นี้พูดถึงว่าอันนี้เฉพาะที่เห็นเห็นเลยนะถามว่าถ้าเขาไม่ได้ให้ทานไว้ในปางก่อนเขาจะมีไหมอ๋อานะมหาพูดก็มหาพูดวันยังค่ำนั่นแหละอยู่ในน้ำไม่มีน้ำดื่มมีไหมมีบ้านอยู่ในคลองคลองก็ดาตีไงไม่มีน้าดื่มนี่ก็มี โยมคะเราอ่ะนี่นะฝนตกน้ําท่วมน้ําเต็มไปหมดไม่มีน้ําใช้เขา่ากงั้นน้ําจะอาบก็ไม่มีมันดำคลักไปหมดใช่พราะฉะนั้นเขาแบบน้ามีแต่ไม่มีน้ําใช้เนี่ยนะมีไหมแผ่นดินเนี่ยใหญ่โตแต่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะนะเขาเนรเทศไปอยู่ไหนก็ไม่ได้เนี่ยนะไล่ยิ่งก็อะไรอีกั้นถ้าไม่ได้ให้ทานไม่ให้รักษาศีลมาเนี่ยนะยากโดยที่สุดแม้กระทั่งการเดินทางจะไปไหนเป็นต้นเนี่ยนะการฟังธรรมเนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าต้องเข้าไปหา เมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เอกนั่งมันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มเข้าไปแล้วเข้าไปไม่ใช่เข้าไปง่ายใช่ไหมฟังใกล้ๆเหมือนกับว่าคลานไปใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าบางทีเข้าไปหาเนยมบางคนเนี่ยมาจากไหนยมฝนมาจากโอุ้นเข้ามาจากปักกจนี่เข้ามาหามาจากปัะกิญจนี่นั้นเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาใกล้ที่ไหนอันนี้ก็บางคนนี่ก็เข้ามาตั้งไกล้กว่าจะได้มาฟังธรรมใช่ไหมเพราะธราไม่ได้ให้ทานมาก่อนนะข้าวรถก็ไม่มีละเชื่อ แม้กระทั่งโดยที่สุดค่ารถก็ไม่มีนั่นแหละเพราะนะั้นทานเนี่ยมันเป็นผลที่เอถ้าผู้ที่ให้ทานมาก่อนเนี่ยถามว่าง่ายไหมต่อการที่เขาจะฟังธรรมง่ายถ้าเทียบคนไม่มีบุญเลยเนี่ยนะเทียบกับคนไม่มีบุญเลยยากมากที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยนะถึงหลายๆแห่งเขาก็อยากฟังธรรมแต่ก็ไม่ได้ฟัง อ, อนะะน พวกทานเนี่ยนัว่าสําคัญมาพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ให้ทานมาท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี Burn ่ยนะจริงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมาตลอดสี่สงไขยแสนกับท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ท่านให้ทานทั้งหมดท่านให้ทานเพื่อให้มีวัตถุมีใช่ไหมเพื่อให้มีวัตถุ <Bold> เมื่อมีวัตถุแล้วท่านก็จักได้ให้ทานสมมติว่าท่านต้องเป็นพระราชาเนี่ยนะถามว่าท่านไม่ให้ทานมาจริงๆจะได้เป็นพระราชาไหม ไม่ได้เป็นเป็นพระราชาจะได้บริจาคราชาสมบัตินะนะเป็นพระราชาแล้วจะได้บริจาคราชาสมบัติอันนั้นนะ่ยนับว่าก็เป็นผลของทานอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ให้ให้ทานมาก่อนเป็นอย่างดีเนี่ยนะจะทําบุญเลี้ยงพระเรียเจ้าเนี่ยจะทําได้ยังไงะนั้นก็การให้ทานเนี่ยนับว่าสําคัญพราะบอกว่าทานเนี่ยมีความสําคัญเหมือนกับว่าคนเดินทางจําต้องอาศัยยานพาหนะคนข้ามน้ําต้องอาศัยเรือ คนที่ต้องการจะนั่งต้องอาศัยที่นั่งเนี่ยนะคืออาสนะพันชาเอ่อทานเนี่ยมีความสำคัญขนาดนั้นแต่ว่ายากนักที่จะให้ได้ทาการให้ทานกับการรบนี่เสมอกันคนที่ไม่เคยให้ทานเลยนะจะให้คนนั้นให้ทานเนี่ยเขาวางแผนเท่ากับรบเลยนะ <c oughs> แม้แต่คนจะรักษาศีลก็เหมือนกันนะไม่เคยรักษาเนี่ยคิดจะรักษาศีล น, นี่ก็เรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะแต่พอนานๆเข้าก็จะชนานาญเองแหละนะ นั้นทานกับการรบเนี่ยพระองค์บอกว่าเสมอกันทีนี้การให้ทานเนี่ยนะผู้ที่ไม่เคยสั่งสมมาเนี่ยยากที่แม้แต่คิดจะให้ยังไม่คิดเลยอะ่ะบางคนเขาบอกว่าที่เขาไม่ให้เพราะมันไม่มีถึงมีเขาก็ไม่ให้เพราะเขาจะคิดจะให้ในสิ่งที่เขาไม่มีถ้าเขาจะให้ต้องให้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้รสชาตินี้เขาไม่ได้ให้ทานหรอกไอ้ท่าอย่างที่เขาว่าเนี่ยนะมันเป็นเหตุผลที่ ที่เขาจะไม่ให้ก็สมัยพุทธกาลก็ยังให้อะไรนะแปง้งเอารํำนะรํามาอัดเป็นก้อนแล้วก็ไปปิ้งปิ้งแล้วก็ให้ทานเขาก็นั่นเขาก็ทําฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปโอ้จะเลี้ยงจะทําสังฆทานทีหนึ่งก็ต้องทําแบบมหาเศรษฐีเนี่ยนะก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะนั้นเอาเท่าที่เรามีอยู่อันไหนที่พอทําได้ก็ทําไปเถอะอันนะ สมมติจะบูชาพระเจดีเราไม่มีดอกกุหลาบเหมือนคนอื่นเอาก็ข้างรั้วบ้านเราก็มีดอกไม้อะไรพอที่จะบูชาได้ก็ทําไปเถอะเนี่ยนะงั้นเราก็ไม่จําเป็นวัตถุมหาพูดของเราต้องประนีตแบบคนอื่นเราก็เท่าที่มีมันก็ประนีตสำหรับเรามันดีสําหรับเราเราก็ทําไปนั่นเองแต่นับว่าจําเป็นมากเลยนะโพลตรัสว่าถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการให้ทาน เหมือนอย่างที่เรารู้นะเขาจะไม่บริโภคก่อนถ้าไม่ได้ให้ทานถ้ามีผู้รับอยู่นะเขาจะต้องให้ก่อนแล้วเขาจึงบริโภคเพราะเขารู้ผลแห่งการให้ทานผู้ไม่ให้ทานมาเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเลยนะถ้าหายวาสังเกตนะทุกคนเนี่ยไปสแสวงหาผลแห่งทานนะโดยมากเลยนะเที่ยวตะเวนหาผลแห่งทาน ว่าเออเนี่ยนะมันอยู่น่าจะอยู่ตรงนั้นมั้งผลแห่งทานน่าจะอยู่ตรงนี้นะผลแห่งทานก็เลยแสแวงหานนะเพื่อหาผลแห่งทานนั้นผู้ที่ให้ทานมาดีเนี่ยชีวิตไม่เดือดร้อนอะไรเลยในเรื่องปัจจัยสีเนี่ยนะหิวก็มีทานหนาวก็มีพะหม่มร้อนก็มีพะลมอย่างเงี้ยก็มีแอร์มีพัดลมมันก็สะดวกสบายไปหมดคิดอะไรก็ได้อย่างใจต้องการหมดเลยแต่ถ้าไม่ได้ให้ทานมานะเหมือนอย่างนอันทาระนะ เกิดมาได้ยินแต่คําว่าไม่มีอ่ะก็เลยทําบุญก็ขอให้ได้ยินแต่คํานี้พอละคําว่าไม่มีไม่ต้องแล้วตั้งอันนี้ไปคําว่าไม่มีไม่ต้องได้ยินสัทีหนึ่งอ่ะเบื่อฟังเต็มทีแลว้วแบนั้นะนะก็ก็เละเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเคยสมัยเด็กๆนะบางภาคแถวภาคอีสานอาจจะเห็นชัดหน่อยขอสตังค์ไม่มีแม่ขอสตังค์ไปโรงเรียนหน่อยบอกไม่มีนะไม่มีทั้งปีเลยนะเกิดมาได้ยินแต่คํานี้แหล ะ, ะนะก็าบางคนเนี่ยเกิดมาได้ยินแต่คําเหล่านั้นจริงๆ ันถ้าหากว่าไม่เกิดมาเหมือนอะไรนะถ้าไม่ให้ทานไม่ดีมันเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนแม้กระทั่งว่ามหาพูดเนี่ยมันมีปัญหาเต็มไปหมดคือในในชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันดํารงอยู่ด้วยมหาพูดใช่ไหมมหาพูดเนี่ยมันแปลกว่าใครจะเอานะมันยิ่งมันยิ่งหนีถ้ารู้จักบริจาคซะบ้างเนี่ยเออมันมันพอจะมีเนี่ยนะแต่ถ้ายิ่งจะเอานะ ยิ่งหนียิ่งไม่ยิ่งไม่ให้เลยแต่แล้วจะให้ของเร็วๆด้วยนะมหาพูดนี่มันก็มันมหาผีจริงๆอ่ะันถ้าใครประพฤติไม่ชอบกับมหาพูดเช่นไม่รู้จักให้มหาพูดเป็นทานเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มเหล่านี้จกเดือดร้อนทานนี่ก็นับว่าจําเป็นมากอะนะทีนี้มาดูต่อไปอีกหน่อยว่าศีลกถาให้ทานมามากแต่ถ้าไม่รักษาศีลจะเป็นยังไง ให้ทานมามากถ้าไม่รักษาศีลเกิดมาก็เป็นหมาคนรวยอย่างเงี้ยไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารโดยประการทั้งปวงนะนพราะผลผลแห่งการไม่รักษาศีลทําให้เกิดในอาบายเกิดเป็นเดรชานเป็นต้นนะเกิดเป็นเปรตที่มีวิมานอย่างเงี้ยนะเกิดเป็นพญางูที่มีขุมทรัพย์เต็มไปหมดเลยนะนก็คืออาการที่มีทรัพย์เนี่ยเป็นผลแห่งทานใช่ไหมแต่เพราะศีลไม่ดีก็เลย เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือศีลไม่ดีเช่นอะนะถ้าใครทุศีลเนะีปานาติบาสให้ทานมากแต่ทุศีลอย่างเงี้ยให้ทานมากแต่ฆ่าสัตว์ก็เกิดมาในคันของพอระอัครมหิศีสามชั่วโมงนะมีประโยชน์ตรงไหนคลอดมาสามวันแล้วตายเลยนัก็เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์แหละกําลังจะใช้ทรัพย์พอดีตายแล้วนะอันนี้คือผลของการไม่รักษาศีลท่านทานเนี่ยนะ มันจะมีผลมากต่อเมื่อให้กับคนมีศีลคนมีศีลให้ให้คนมีศีลมีผลมากแล้วก็ถ้าไม่ทําบาปนาธิบาตก็มีอายุยืนพอที่จะใช้สอยทรัพย์บางคนนะ่ะไปหาทรัพย์นะได้มาก็ตายพอดีเนี่ยนะกำลังจะบริโภคทรัพย์เนี่ยนะ ก, ก, ก, นยนะก็ตายพอดีเพราะว่าศีลไม่มาอุปธรรมให้มีอายุยืนพอที่จะใช้สอยทรัพย์ได้วันศีลน่นนะจึงสําคัญคือถ้าถามว่าอธินาทานเนี่ยนะมีทรัพย์แล้วทรัพย์เสียหาย มีทรัพย์แล้วเสียหายซับเนี่ยมันเสียใจขนาดไหนนะเนี่ยมีอะแต่ว่ามันเสียหายการเล่าว่าจะเปิดรีสอร์ทครั้งแรกน้ําท่วมเตไปหมดเลยนะจะไปเปิดรีสอร์ทเดือนตุลาด้วยนะเปิดหน้าน้ําท่วม <c oughs> ก่อนจะเปิดวันหนึ่งเลยนะน้ําท่วมถามมันนอนหลับเป็นสุกไหมนะนะก็ว่าเศษของอาทินนาธานอย่างเบาทําให้ทรัพย์สินเสียหายคุณอุไรถูกเฉียวมาหมดทีสามหมื่นนี่ก็เออเนี่ยเศษเศษนะเนี่ย คือผลของอธินาธานเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเบาที่สุดเศษเลยคือเสียทรัพย์เพราะมันจ่ายไกลตัวไปใช่ไหมมันไม่เข้ามานะแรงขึ้นกว่านั้นเนี่ยเสียน้ำตาเลยแหละน้ำตาตกในเลยแรงขึ้นไปกว่านั้นอีกนะชีวิตในมนุษภูมิอยากรักษาไม่ได้ก็เกิดในอายภูมิถ้ากรรมตัวนั้นมานำเกิดในภายหลังก็ถามว่าคนจนกับคนรวยไหนมากกว่ากัน คนจนมากกว่าคนที่รักษาศีลข้อเว้นจากอาทินนาทานกับมีโอกาสและหยิบฉวยไหนมากกว่ากันก็หยิบฉวยพันแก้ปัญหาให้หายจนเลิกจนโดยถาวรไม่มีใครทําได้เพราะว่าถ้ามีผู้ที่ทําอาทินนาทานให้ผลนําเกิดมันไม่สามารถจะรักษาทซั์ไว้ได้หรอกมีทรัพย์ก็รักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้ะนะเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นของคนมีบุญจริงๆถ้าหมดบุญนะพร้อมที่จะ เสียหายรถเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเศษเหล็กภายในไมงน่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะพร้อมที่จะเป็นเศษเหล็กภ า, ายในไม่กี่ชั่วโมงบ้านเนี่ยนะพร้อมที่จะเป็นที่เท่าภายในไม่กี่นาทีพร้อมที่จะหมดเลยเนี่ยนะมีมีที่มีมีเนี่ยพร้อมที่จะหายแวบไปกับตาเนี่ยนะก็ที่มาของคําว่าเคยรวยเนี่ยนะ นั้นศีนข้อที่สองนี่ก็นับว่าสำคัญมากนะถ้าบางคนเนี่ยมีทรัพย์แต่ว่าไม่สามารถรักษาทรัพย์ได้โดยประการทั้งปวงเสียหายไปเนี่ยนะเสียเล็กเสียน้อยหรือเสียมากเสียเท่าไหร่ก็ตามเธออันนี้แหละเป็นผลอย่างเบาของอธินาทานถ้ากาเมสุมิฉาจาร์เนี่ยสตรูมากไม่เป็นที่ชอบใจของคนถามว่าทาไมก็ถามว่าก็ครอบครัวใครใครก็ห่วงแหนอยู่แล้วใช่ไห แล้วคนที่ไปล่วงละเมิดถามให้คนนั้นมันน่ารักขนาดไหน ม, มันน่าฆ่าเลยซ้ําไปนะไม่ใช่น่ารักกับ น, น่าฆ่าเลยแหละวันคนที่ทุศีลประเภทนี้จึงศัตรูโดยธรรมชาติไม่ว่าคนนี้พูดแล้วคนอื่นต้องเกลียดทันทีอันนี้นี่เป็นผลเสศย่างเบานะเขาก็พูดดีนะพูดเป็นอัตเป็นธรรมด้วยบางครั้งแต่คนจะไม่ชอบทันทีเลยถ้าคนนี้เสนอตัวเมื่อไหร่นะเสนอตัวเสนอคําเสนออะไรก็ตามจะเสียหายมากนี่เป็นผลอย่างเบาของ กาเมสูมิฉาจา์แล้วเป็นคนหวาดระแวงนอนไม่หลับนี่นะหวาดระแวงนอนไม่หลับพวกพวกผลของการเมนี่นะหวาดระแวงมากนอนไม่หลับแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่อะไรนะมันระแวงอ่ะนะเป็นคนที่ระแวงก็เคยรู้จักบางคนเนี่ยปกติคนนี้เนี่ยมันก็มกักจะทำการเมสูมิฉาจารจริงๆแล้วเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับเขาเขาจะเป็นคนเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ เป็นคนที่กลัวมากเลยอ่ะก็เนื่องจากไปทำเหตุที่ไม่ดีนั่นเองนั้นผู้ที่ทุศีลเหล่านี้เนี่ยนะนำมาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังอย่างมากส่วนสุราก็อย่างว่าผลอย่างเบาก็คือความเป็นบ้าในหลายหลายสูตรนี่ก็กล่าวว่าอย่างนั้นผลอย่างเบาก็คือความเป็นบ้าความที่จิตวิปริตแปรปรวนก็ตอนที่เมากับคนบ้านนะดูสภาพแนละ้วไม่ต่างกัน เหตุเช่นใดผลก็เช่นนั้นนั่นแหละคำว่าประพฤติผิดในการมหมายถึงผู้ชายประพฤติผิดกับผู้หญิง20อ่ประเภทผู้หญิง12ประเภทไปล่วงละเมิดกับชายที่ไม่ใช่คู่ครองของตนอันนี้แหละที่ที่ที่ผิดศีล น, น, นะเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าผู้ชายไปละเมิดกับหญิง20ประเภท อันนี้สำหรับฝ่ายชายนะวัตถุแห่งการเมของชายนี่มี20ประเภทการเมของหญิงก็คือไปตัวอ่าหญิง12ประเภทสรุปว่าหญิงมีคู่แล้วไปหาชายอื่นน่ยนะลักษณะนั้นแหละที่เป็นการเมสุมิจฉาจาร์หมายเพราะว่าเขามีองค์ที่ที่พูดถึงที่เรียกว่ากรรมบทเนี่ยนะส่วนการบริโภคทั่วๆไปเพลิดเพลินในสีเสียงกล่นรสอันนี้เรียกว่าเพลิดเพลินในวัตถุการมเนี่ยนะเพลิดเพลินในวัตถุกรรม แต่ก็เรียกว่าผู้บริโภคกามแต่ก็ไม่ถึงกับเรียกว่าการเมสุมิจฉาจาร์นะทีนี้การเมสุมิจฉาจาร์เนี่ยผลถ้าเกิดมาชาติใดก็อย่างว่าสตรูมากเป็นที่รังเกียจของประชุมชนทั้งหลายคนก็จะรังเกียจแล้วก็พวกนี้มักหวาดระแวงนะไม่เป็นคนที่ไม่องอาจไม่อะไรส่วนมุสาวาตก็คือถูกหลอกประจําถูกด่าประจําเป็นต้นนั่นะ ถูกเสียดสีอยู่ตลอดเนี่ยนะพวกนี้เป็นผลอย่างเบาของเกี่ยวกับวาจาแล้วก็ที่แน่แน่ก็คือเกี่ยวกับโรคปากโรคฟันทั้งหลาย